ผิดปกติยะเดี๋ยวันนี้รู้สึกว่าฟงซ่านเยอะเราจะกลับมานั่งสมาธิจริงๆแล้วมันมันจะเป็นการพักผ่อนให้มันจิตมันสบายขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเข้าใจนะว่าเป็นการพักผ่อนนะีก็โอเคนะไม่ใช่ผิดนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแบบนั้นมันเข้าใจว่าไอ้นี่เรียกว่าปฏิบัติตธรรมไม่ใช่แบบนั้นพอเรามีสมาธิที่มันตื่นเนื้อตื่นตัวเนี่ยเช่นออกไปข้างนอกมาไปฟงซ่านมา